ก็มาแปลกใจอาจารย์ก็มาสอนนักเรียนก็มาเรียนแล้วก็มานั่งกันอยู่ที่นี้ทําไมถึงต้องมานั่งกันอยู่ที่นี้ก็เพราะว่าอยากจะเรียนทําไมอาจารย์มาดูอยู่ที่นี้ก็เพราะว่าอยากจะสอน คนหนึ่งอยากเรียนคนหนึ่งอยากสอนจะงใจกันก <c oughs> ็คงจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานนี้อีกนิดหนึ่งว่าใครมีอิทธิบาทแล้วก็ก็คงเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องมีอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทธิบาทนั้นคือคุณเครื่องให้เกิดความสําเร็จ เพราะฉะนั้นเมือม่อนักศึกษาทุกคนมีอิิบาแล้วก็ถือว่านั่นคือความสำเร็จที่รออยู่ <c oughs> ความสำเร็จในที่นี้เป็นความสำเร็จที่แต่ประหลาดที่สุดเพราะว่าเป็นความสำเร็จของนามธรรม การทำสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามธรรมเอเป็นเรื่องของความนึกความคิดเป็นเรื่องของจิตใจจึง เ, เรียกเปวนนามธรรมาที น, นี้ว่านามธรรมาเนี่ยมันมันจับเอาอย่างนี้ไม่ได้มันสัมผัสจับเลื้อมองดูจับมันไม่เห็นแต่ว่า รูปด้วยความสัมผัสสัมผัสจะหมายความว่ามนโนสัมผัสก็คือใจเป็นผู้สัมผัสเมื่อใจเป็นผู้สัมผัสแล้วมันก็เลยต้องเป็นเรื่องแปลกต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็คงจะเข้าใจถึงเรื่องแปลกอันนี้ไว้ด้วยว่าการวางใจ ก็คงจะยังไม่อธิบายตามนังสือนี้การวางใจนั้นเราคงจะเคยได้ยินบอกว่าวางใจเค่ค응ุณจะไปไหนก็ไปตามสบายวางใจเ ท, ท่ฉันอยู่บ้าน่านจะทำให้เรียบร้อย응หรือว่าคนที่ไป ก็บอกคนทางบ้านว่าวางใจเถอะฉันไปคงไม่มีอะไรเสียหายว่าอันนี้คือว่าการวางใจทีนี้ไอ้เจ้าการไม่วางใจอีนี้มันเป็นอะไรอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับการไม่วางใจอยู่ทางบ้านเอจะเรียบร้อยหรือเปล่าใครจะดอดเข้ามายังไงมั่ง <c oughs> หรือว่าคนจะไปแกนี่จะไปยังไงกันนั้นเนี่ยวางใจได้หรือเปล่าอันนี้ก็เกิดึดินอันนี้คือการวางใจความวางใจนั้นน่ะมันลึกซึ้งลึกซึ้งอว่ามันต้องมีอะไรที่แปรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างหนึง่งหรือว่า เป็นเรื่องของความเชื่อใจไว้ใจมั่นใจเช่นอย่างว่าลูกน้องเรากำลังเตรียมที่จะขายของอยู่ที่ร้านเราก็จะไปตรวจลูกน้องจะขายได้หรือเปล่าจะยักยอกเงินหรือเปล่าวางใจได้ไหมวางใจได้ก็เพราะว่า เราเชื่อใจว่าเป็นคนซื่อสัตย์เจ้าของลานก็ไปได้ตามสบายเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำสมาธิจึงจาเป็นต้องมีความจริงใจแล้วจะมีความศักลิ์ความศักดินั้นเ้าเรียกว่าศักดิจากมันจะต้องมีอยู่ในตัวของตนเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราจะนั่งสมาธิ เราก็มีเวลาเาเรียกว่ากัจจานึงมีความเชื่อเชื่อใจพอเวลานั่งมันก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนว่าเขาจะต้องทำอย่างนี้อันนี้ถือว่าหน้าหน้าวางใจหน้าไว้ใจ <c oughs> ทีนี้สาหรับพูดที่ทำฌานทำสมาธิเนี่ยเขามีจุดหนึ่ง เ่อเขาจะต้องวางใจให้แก่ตนของบุคคลผู้นั้นด้วยความชำนาญด้วยเหตุอย่างนี้เราจรึงต้องเอาข้อสองนี้มาเป็นหลักสูตรเพราะว่าไม่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นในขณะที่เกิดเหตุอันตราย เราจะวางใจไว้ตรงไหนหรือว่าเมื่อเกิดเธอฉุกเฉินขึ้นเราจะวางใจไว้ตรงไหนทีนี้เราจะวางใจสเปสะสปะไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน <c oughs> ก็เหมือนกับไม้ปักเลนพอถึงเวลาแอะเกเหตฉุกเฉินหรือเกิดเหตุกระทันหันขึ้นวางใจไม่ถูกทีนี้วางใจไม่ถูกอะไรจะเกิดขึ้น ก็คืออันตรายอันตรายเกิดขึ้นเหตุการณ์จะพอน่าแต่ไขไม่สาเร็จในข้อนี้ก็อยากจะเล่าถึงเรื่องหนึ่งว่า <c oughs> เมื่อครั้งพุทธการจะหมายความว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่มันมีพระญาณตัวหนึ่งมันมีฤทธิม์มากชื่อว่านันโทปนันทะ เวลาเรานิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านเขาจะสวดภาหุงสหัสสมาธิมีแต่สาวุทันตังให้เพื่อเป็นในสิมมงคลแล้วก็ไปถึงอีกบทหนึ่งที่เรียกว่านันโทปนันธรรมปธจจคังวิพุทตังมะหิตพิงกุเตนะเถ ร, ระพุจจเคณถมาปยมโตก็สวดให้พอเสร็จไปถึงบทนั้นก็หมายความว่าหมายถึงแค่ยานะ ที่ชื่อว่านันโธปนันทะในคราวนั้นเอวนาคเขาเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้ต้องการอยากจะทำการปิดพระคิดกลางวันเนี่ยให้มันเป็นกลางคืนจะแต่มันไม่ใช่สุริยภาพแต่มันเป็นนันโธปนันทะไอ้ที่เขาต้องการอยากจะปิ เมืองราชเกิะเนี่ยไม่ให้เห็นแสงคราสท็ศเนี่ยอยากจะแสดงอิทธานุภาพว่าพระพุทธเจ้ามีอิทธานุภาพเขาก็มีอุจิตธานุภาพเหมือนกันไม่กลัวมเมื่อเป็นเช่นนั้นพอตื่นเชา้าขึ้นมาเขาก็แผ่พังทานเนี่ยแผ่พังพานมันใหญ่ขนาดไหนเขเรียกกับคลุมเมืองได้แต่แสดงว่ามีฤทธิ์มากพระพุทธเจ้าก็เรียก ท่านพระโมกขันลาที่มีฤทธิ์เก่งที่สุดในบรรดาสาวกทั้งหลายเป็นอัคคะสาวกเบื้องใต้บอกว่าเธอจงไปทรมานพญานาะคนีทพระโมกขันลาก็ไม่ได้เดินเท้าไปละหลังนั้นเหาะเลยเหขึ้นไปก็ต้องขึ้นไปอยู่เหนือไอ้พังพานของไอ้พญานาะค เพราะว่าชาวเมืองนี่เขาร้องเป็นใหญ่แล้วว่ามันไม่สว่างสักทีมืดอยูตลอดทันใดนั้นพระโมคคันลาก็ใช้ฤทธิ์แสดงตัวของท่านนี้ให้ใหญ่เท่าภูเขาเ น, นี่ยเนี่ยตัวใหญ่ถ้าดูเขาแล้วตีนจะใหญ่เท่าไหร่ที่ว่าตัวใหญ่เท่าภูเขาตีนมันก็คงใหญ่กว่าจัาลาเราอ่ะ เอาเตีนนี่จะทื่จะทื่อทองพานพญานาะคแต่ทีนี้ไม่ใช่จะทื่ตีนธรรมดาแต่ว่าเป็นตีนรทธ์นะพอเวลาจะทื่ลงไปนี่ทองพานหดเลยพญานาคทองพานหดสว่างจ้าชาวเมืองกล้าทุเ่างออกเดินได้พญานาะคเขาก็ไม่ยอมเท่านั้นมันก็ จำแรงตัวเป็นมีความยิ่งใหญ่ข้นเอ็น้ำสดเนี่ยคือน้ำสดที่พญานาคค้นออกไปเนี่ยอย่าว่าแต่ตัวพระโมกันลาแม้แต่หินและเหล็กก็ละลายนี่คือรู์ของพญานาคแต่พระโมกันลานั้นหลบเก่ง ว่างานจะพิ่นแต่ทานี้หลบทานี้พ่นทานี้หลบเท่านั้นทีนี้เมื่อเห็นว่าพะโมกคันลาหลบเก่งเขาก็เวลาพ้นเขาก็ทำให้มันกระจายออกไปไม่ให้หลบพะโมกคัลาจะเลยพลงังตัวเข้าเข้าแมลงหวีทีนี้เล็กที่สุดบินเข้าไปในท้องของพญานะาคพอบินเข้าไปในท้องท่านจะเดินจงจมงทีนี้ <c oughs> เดินยังโคมอยู่ในไส้ทีนี้เวลาเดินท่างที่ไม่เดินธรรมดาเ น, นี่ยมันเดินด้วยริอก็เอาตีนนี่กระแทกกระแทกเพื่อนก็เจ็บท้องทีนี้ลองโวยบอก <c oughs> ยอมแล้วยอมแล้วเขาก็ดูเวลาที่พรโมกคัลลาอยู่ในท้องพญานาคเนี่ยพระโมคกัลลาเขาก็ ฟังเสียงพญานาค่ะพญานาคเขาบอกว่าเขายอมแล้วเพราะเจ็บท้องมากแล้วทีนี้พระโมกคันลาไม่ได้ฟังเสียงอย่างเดียวเขาดูใจด้วยใจของพญานาคเนี่ยมันยอมจริงไหมแท้ที่จริงยอมมันพูดแต่ปากใจไม่ยอมเมื่อพระโมกคันลาออกจากปากมันเมื่อไรเนะี่ยคันทีนั้นมันจะพ้นไฟพิษเนี่ยตามพระโมกคันลาเลยจะหนีไม่ทัน พระโมกขันลาจะกลายเป็นจุนวิจุนเลยในขณะนั้นก็เป็นอันว่าในขณะนั้นในขณะที่พระโมกขันลาจะออกจากใกลไอของพญานาคนั้นก็เป็นเวลาที่เข้าได้เข้าเถ็งเรียกว่าเหตุการณ์คับขันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทีนี้ก็มาถึงการที่จะอธิบายในวันนี้ บอกว่าการวางใจเนี่ยการวางใจเนี่ยจะวางไว้ตรงไหนฤทธิ์มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าการทำริธั้นอาจจะต้องใช้นาทีสองนาทีถ้าหากว่าใช้นาทีสองนาทีจะถือว่าสู้ไม่ได้ต้องตายแน่ <c oughs> ร่างกายจะต้องเป็นจุนต้องไม่ถึงวินาที เมื่อถึงเขาคับขันเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ส่งพระกระแสก็หมายความว่าส่งกระแสจิตเข้าไปในท้องของพญานะบอกแก่พระโมกัลาาว่าจิตเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้พระโมคัลานี่วางใจในเะนั้นเพียงเที่ยววินาที ไม่ใช่หนึ่งวินาทีด้วยซ้ำไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อเป็นเช่นนั้นพระโมคคัลาได้สติพระโมคคัลาก็ออกจากใส้ของพยานันโธพนันทะเพื่อวินาทีพระโมคคัลลามาอยู่ตรงคางพญานาคเนี่ยตัวมันใหญ่แค่เป็นนังอีจับอยู่ตรงคางไอ้ตรงที่จะออกมาเนี่ย ถ้าญาณท้เกบค้นทิศตามมาเหมือนกันแต่ว่าความไวเนี่ยซื้อขโมกขลาไม่ได้เพราะาการวางใจอัเนี้ยอ อ, อยู่ในขั้นที่มีความํานานเยี่ยมยอดพอวางใจพักริศเกิดขึ้นขโมกขลาก็มาเป็นแมงวีจับอยู่ที่คางเมื่อจับอยู่ที่คางแล้วถ้าานาณท้าจะต้นเท่าไหร่มันก็ต้นไม่ได้เพราะมันต้นกลับมาไม่ได้ ในที่สุดก็ยอมแพ้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแกจะต้องจำสินห้า น, นันโธปนันทะก็เลยจำสินห้าประชาชนในเมืองราชเชืก้ก็มีความสุขมาเป็นโดยตลอด <c oughs> ทีนี้ก็จะอ่านตามคำที่ได้เขียนมาว่ามีคำพูดคำหนึ่งว่าวางใจได้หมายความว่า ไม่ต้องห่วงฉันนะโดยเฉพาะคำนี้เป็นคำมั่นและสิ่งที่มอบให้หรืองานที่มอบให้นั้นได้มีการเตรียมพร้อมและสามารถทำได้โดยที่บุคคลอื่นไม่ต้องช่วยแล้วก็บอกว่าขอให้วางใจเถิดได้เหตุดังกล่าวผู้ที่จะไว้วางใจได้ต้อง เป็นผู้ที่มีความสามารถทำงานแทนเราได้เช่นนายสั่งลูกน้องว่าจงยกเสาหรือติดผีติดแตรของบ้านกําลังฟ้างลูกน้องรับรองด้วยความมั่นใจนายก็รู้ว่าลูกน้องทำได้นายก็สบายพอกับดูกลับมาลูลูกน้องก็ทาถูกต้องตามความต้องการ ไว้วางใจไม่ได้ก็เพราะลูกน้องไม่มีความสามารถทํางานไม่เป็นอย่างนี้นายก็ที่งานไม่ได้เพราะขาดความรู้ด้วยเหตุดังกล่าวการวางใจได้ก็ต่อเมื่อลูกน้องมีวิชาความรู้และความสามารถเมื่อมาถึงสมาที่ก็จำต้องมีการแนะนําแม้จะดูว่า การวางใจนั้นพูดแล้วก็รู้ทันทีนนอย่างว่าวางหน้าผากก็รู้อ้าววางที่ปลายจมูกก็รู้หรือวางที่หัวอกดัง่งใยก็รู้หรือวางที่ท้องน้อยก็รู้แต่ว่าการรู้นั้นน่ะมันยังไม่เกิดความชำนาญความรู้นั้นมันต้องเกิดความชำนาญทีนี้พอเรารู้ว่า เราตั้งอยู่ที่ตรงนี้ได้ก็เลยเถอไหลไปซะบางทีก็ไม่เอาใจใส่เมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้ความชํานาญในการตั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อความชํานาญในการตั้งนี้ไม่เกิดขึ้นต่อไปเวลาเราทําสมาธิต่อไปข้างหน้าเนี่ยไอ้ความง่ายของการทําสมาธินี่ยมันจะกับกลายเป็นยากแต่ถ้าหากว่า เราจับจุดได้อย่างแน่นแฟ้นและเกิดความสำนญนในการทําสมาธินี่มันก็ไม่ยากเลยเหมือนปลอกข้วยข้อปากเนื่องจากว่าทุกทุกคนนั้นอาจจะต้องประสบเกิดการกะทันหันได้ทุกเมื่อสมาธิสามารถช่วยเหตุการกะทันหันเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี เจอสมาธิเนี่ยพอเวลาเราเข้าที่ทับขันเนี่ยสมาธิเนี่ยจะเข้าตามช่วยแต่ถ้าหากว่าเรามีความชํานาญแล้วมันจะกลายเป็นอัตโนมติเช่นอย่างคนที่เขียนหนังสือเนี่ยถ้าหากเกิดสร้างชํานาญแล้วหลับตาก็ยังเขียนไปถ้ามันไม่ชานาญล้วก็ตอกขวาจะเขียนหัวตัวลงมาเนี่ยมันกว่าจะได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันนาน แต่จะมาที่ต้องมีหลักการของการวางใจจนบังเกิดความสำหนัดเมืม่อเหตุกระทันหันหเกิดขึ้นการวางใจก็กำหนดได้เพียงเสี่ยววินาทีเพราะการกำหนดเพียงเสี่ยววินาทีเราก็สามารถตั้งใจได้แล้วคนเราเว้ยมันจะต้องมีวันหนึ่งคือวันที่เราจะสิ้นลมหายใจเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ เรียกว่าทัก ข, ขันสุกขีดเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเรารักคนเราเนี่ยไม่อยากตายมีอะไรจะแก้ไขได้ก็ยังไม่อยากตายทํายังไงเสียแต่ยังไม่อยากตายเพราะฉะนั้นอุปทานอันนี้มันจะยึดมั่นไม่สามารถที่จะละอุปทานอันนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิต มันก็วางลงในขณะนั้นจิตจะวางไม่ได้เมื่อวางไม่ได้ก็เกิดความคว้ยเขลเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่จิตใกล้จะดับขันการวางใจนี่เมื่อเราได้วางใจในเรื่องของสมาธิอย่างฉ น, นานใจเมื่อไหรก็โน้ตโลดเล่นด้วยเหตุดังกล่าวเราักสมาธิทั้งหลาย จึงต้องทราบวิถีทางของการวางใจอย่างมีระบบเพราะว่าถ้าเอาแต่ได้อะไรก็ช่างมันเมื่อเป็นขั่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับไม้ปัดเรินไม่มั่นคงดังนั้นครูสมาธิจึงจนเป็นต้องชี้จุดตรงการวางระดับจิตขึ้นเป็นขั้นตอนด้วยเหตุนี้เองผู้เข้าฌาน จป็นชำนาญจุดยู้เป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทาน่อเหตุการเพราะว่าการเข้าทานนั้นในเป็นระยะของเที่ยววินาทีพอเวลาหลับตาเนี่ยมันจะเสี่ยววินาทีเนี่ยมันจะเข้าทานไปได้เลยเรียกว่าเข้าพุทเดียวได้แต่ถ้าหากว่าอการไม่ชำนาญหรือเรียกว่า เวลานั่งสมาธิเนี่ยเราก็นั่งเขานั่งเราก็นั่งเขานั่งเราก็นั่งเขาบอกวาาก็นับผักก็นับผักไปเอเขาบอกหดจะหมูกก็จะหมูกไปเขาบอกหดท้องน้อยก็ท้องน้อยไปอแต่ว่าไม่ได้เอาใจาใส่ไม่ได้เอาใจาใส่ว่าตรงนี้คือหลักประกันที่เราจะต้องเราจะต้องรู้จักจุดเช่นอย่างว่าเราไม่อะไร ถ้าอย่างหนึ่งเนี่ยไวมากมากเนี่ยในตรองจุดเดียวเนี่ยอันนี้จะเป็นนิสัยออแล้วก็จะเป็นนิสัยที่ติดต่อกันไปอย่างเรียกว่าต่อเนื่องแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เล็กลงไปในจุดเดียวนะ่ะไปรู่นบ้างไปนี่บ้างอย่างนี้มันไม่เป็นนิสัยคนที่จะเอานิสัยอันนี้เข้ามาอยู่ ในที่เขาจะต้องนึกจุดเดียวอันนี้ไว้โดยตลอดนึกเท่าไหร่นึกร้อยพันหมื่นแสนไม่รู้ว่าต้องนึกอยู่ตรงนั้นการนึกอยู่ในที่เดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญทําไมถึงสําคัญอย่างคนที่จ ะ, จะเป็นโรคเส้นประสาทเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าไปถูก ให้สิ่งที่มันคือไม่เข้าใครไม่ออกนื่อเจ็บใจนักหนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็นึกอยู่ตรงนั้นแหละ ว, วันนี้ก็นึกพรุ่งนี้ก็นึกเมื่อวานก็นึกเดือนที่แล้วก็นึกแล้วก็นึกอยู่นั่นแหละอ่ะาพอหลับตาลงไปก็นึกลืมตาขึ้นมานึกอีกแล้วก็นึกตรงเก่าอีกถ้สค น, นี้มันทํากูได้นี้เราก็ไม่หยุด แม้แต่ว่าจะไปทําอะไรต่ออะไรก็ยังไม่ยอมหยุดเดี๋ยวก็นึกลงไปตรงนั้นอีกในที่สุดนี่ไอ้ตรงนึกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งร้ายไอ้ที่นึกว่ามึงทํากูได้อย่างเนี้ยอ่ก็เสียใจอ่ะอก็นึกลงไปวันนี้ก็นึกนึกนึลงไปทีเดียวใจนี่มันทนไม่ไหว มันจะต้องเกิดการทอดช้ำมันจะต้องเกิดเอปฏิกิริยาเขมโนลงไปที่เดียมันนึกถึงร้ายลงไปที่เดียเมื่อเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันก็เกิดฝอแล้วก็อะไรต่ออะไรมันก็ฝอกันใหญ่เขาฝอกันใหญ่ทีเนี้ยนอนไม่หลับแ้แฉเลยอืนอนไม่หลับเจ้าไอ้เพราะว่ามันไม่ยอมหายไปอ่ะ มันไม่ยอมหายไปเพราะมันอยู่ที่เนี่ยมันไม่ยอมหายเมื่อไหร่มันก็อยู่เมื่อไหร่มันก็อยู่ไม่ยอมหายเกิดการฝ่อเกิดเพราะเกิดการฝ่อขึ้นมาแล้วก็เกิดความร้ายเกิดความร้ายขึ้นมาทีนี้เ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนั้นประสาทต่างๆก็เกิดการที่การขึ้นเพราะว่าธรรมดามันจะไปซ้ําที่เดียวอย่างนี้มากๆมันไม่ไหวอสิ่งที่ไม่ดีอ่ะ <c oughs> ทีนี้เราอนนี้เรากลับคืน ม, มาพูดเพลิกกัด อย่างเราที่ว่าเรานึกพุดโธอย่างเนี้ยอืทีนี้เราก็เน้กมันที่เดียวอย่างเนี้ยแต่นี่มันดีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใจที่สอ่อแทนที่มันจะส่อมันก็ดีอทีนี้ให้ประสาทต่างๆที่มันกําลังจะที่การมันก็ดีขึ้นเพราะมันพอตรงกันข้ามพอตรงกันข้ามไปอีกข้างนึ่งแกไปเลยพอกับขึ้นมาทางดีดีไปใหญ่เลย อย่างนี้คําว่าดีนะั้นทำไมแ อ, อจึงดีเพราะว่าคําว่าพุโทโธมันเป็นเรื่องของสมาธิพอมันเป็นเรื่องของสมาธิกี่ครั้งอะร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งมันเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันพอมันเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันได้เหตพลังงานต่างๆเหตการที่อพระสาทต่างๆที่มันจะต้อง เกิดปฏิกิริยามันก็คลายนอนก็หลับสบายทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจว่าการวางใจนี้ต้องมีระบบระบบนั้นคือการตั้งมัน่นตั้งมั่นคือตั้งที่เดียวเมื่อไรก็ตั้งที่เดียวเมื่อไรก็ตั้งที่เดียวอันนั้นคื อ, อประโยชน์อันมหาศาล ที่จะเกิดต่อร่างกายและจิตใจที่จะเกิดเป็นระบบบางทีเราคิดว่าเอ้ย hey, พุทโธพุทโธก็ก็พุทโธมาตั่งเยอะเราจะเลิ ก, กส็คืออย่างเนี้ย่หรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าพุทโธมันอยู่ตรงไหนความจันทร์ถ้าหากมันอยู่หน้าผาสดีหรือมันอยู่ที่หัวอกเบื้องซ้ายก็ดีเนี่ยพอเวลาเราจะเข้าจิตทับเนี่ยผู้นนะาทีเรานึกได้หัวอกบืงซ้ายเนี่ย แอปเดียวเนี่ยเรานึกได้ทันทีหรือว่าอยู่ที่หนา้าผาสิ่งนี้ยแอปเดียวอย่างเนี้ยเราจะนึกได้ทันทีพราะยังไม่ต้องขัดสมาธิแล้วพอกอําหนดจิตภพจิตมาอยู่นี่แล้วนี่นี่นี่คือความทํานานและความกำหนาน น, นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเราแล้วก็แล้วไปเราไม่มีความความแน่นอน เมื่อ เ, เวลาเราทําสมาธิสบายแลกกับยากันเพราะฉะนั้นอนับสมาธิบางคนจึงเกิดการเสือนแล้วก็เกิดการเข้าฌานไม่สะดวกแล้วก็เกิดปฏิกิริยาในตัวของตนเองจะจะแก้ไขได้มันก็ใช้เวลาโดยเหตุอย่างนี้เมื่อเราเริ่มได้แล้วเราจะทําอย่างไรกับใจของเรา ในขณะที่เริ่มต้นมาอยู่ที่ใจความจริงใจตอนนี้ควรจะรู้ก่อนว่าอะไรคือใจตัวรู้คือใจอันเนี้ยสองอันนี้เท่า น, นั้นแหละ ท, ท่านคิดมีความสำคัญอธิบายไปก็พูดไปแบบอยากจะเขียนให้มันเยอะๆแต่เดี๋ยวเขาจะหาว่าหลวงพ่อไม่มีภูมิ จะได้เขียนไปเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักเขียนแค่นี้ว่าเมื่อเราเริ่มได้แล้วนี่คือเริ่มต้นตั้งใจไว้แล้ ว, ลวเมื่อตั้งใจไว้แล้ ว, ลวเราก็มาวางใจเราจะทำยังไงกับใจของเราขณะที่เริ่มต้นต้นมาอยู่ที่ใจความจริงตอนนี้เรียนรู้ก่อนว่าอะไรคือใจ ไม่ส้องไปถามใครตัวรู้คือใจนะบอกให้เลยลองไปถามอาจารย์อื่นๆทีก็ไม่เคยบอกให้นะอแม่แต่หลวงพ่อเองไปอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่อะไรใจมันอะไรแต่ไปรู้เองแต่ว่าหลวงพ่อไม่อย่างนั้นอะไรคือใจตัวรู้คือใจ ก็พูดง่ายๆไปเลยไม่ยากรู้อยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ไว้ที่นะะ้าตาหรือเราต้องรู้ไว้ที่ใจนั่นคือการวางใจเป็นอันว่าเข้าใจท <c oughs> ีนี้สำหรับข้อความต่างๆเหล่านี้ก็น่าจะต้องอ่านทบทัทบมาเพราะว่าเป็นข้อความที่ออกจาก เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือเนี่ยออกมาจากใจของหลวงพ่อแล้วก็เขียนออกไปโดยที่ว่าไม่ได้ไปเลาะตำราใครมาออกจากใจก็เขียนออกไปเลยนี่คือความจริงฮะคือพระธรรมอย่างโอ้ววันนี้อธิบายขั้นหนักละคังไม่ได้ยินนี่นะเวลาที่ รลงพ่ออธิบายเนี่ยเขาเทปไปไว้หมดแล้วคนก็ขโมยเอาไปออกพิจยุก็ า, า อ, องโหเลวงพออธิบายยังไงไม่รู้คนหัวละทั้งท่านไออว่า <c oughs> มันก็เข้าเทปรุ่นที่หนึ่งก็โค้อร <c oughs> ุ่นที่หนึ่งคงโค้รุ่นที่สามไม่ได้ร <c oughs> ุ่นที่สามแย่กว่า <c oughs> เรื่อที่หนึ่งอายุมากเยอะเรื่อที่สองนี่อายุคิดเฉลี่ยแล้วไม่มากไปถึงเดือนไหนอ่ะต่อไปการตอบปัญหาก็ในตอนนี้ก็ว่ากันไปตามอัคคยาใช่ต่อไปขอเชิญคุนสิวัตรสุคนธฉายานรรมการพระอาจารย์ ถ้าผมมีเรื่องขอเรียนถามาอาจารย์ของข้อข้าเดียวก็ได้ครับเมื่อวานนี้ที่าอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะเรื่องความตั้งใจอาจารย์ก็พูดถึงอิธิบาทสีแล้วก็พูดถึงอานที่สมานใจ ฟังไปผมฟังมาผมก็ไม่เข้าใจว่าที่สมานกายกับความตั้งใจมาเกี่ยวพันกันได้ยังไงขอเรียนอคำชี้แจงจากพระอาจารย์เลยคร่บที่สมานกายนั้นมีอยู่ในตัวเราตลอดเวลาแม้กระทั่งเรานั่งอยู่ที่สมานกายก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละทีนี้ที่สมานกายจะสัมผัสได้ก็แต่อเมื่อเวลากลอยากหมดความรู้สึก พกอกายยาบหมดความรู้สึกอธิษฐานกายก็จะมาทำหน้าที่เมื่อกายอยาบรู้สึกใจก็มาอยู่ที่กายยาบกายยาบ ก, ก็จะทำหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ในความสั้งใจคือเป็นอิธิบาเนี่เพราะว่าอิธิบาทนั้นเช่นอย่างฉันทะความพอใจเหมือนอย่างที่เราพอใจเนี่ยเมื่อเกิดความพอใจ เราก็จะฉายฉายความพอใจเนี่ยไว้ในใจของเราเนี่ยแต่ถ้ข้อนี้มีศรัทธายอย่างนี้มีความชื่นชมอย่างนี้ในัดใจนึดภาพขึ้นก็จะฉายไว้ในใจของเราเนี่ยเรียกว่าฉายไว้ฉายไว้เหมือนกับกล้องถ่ายรูปมันฉายไว้พ <c> อ <oughs> เวลาเรา เข้าไปสู่ทิศมารกายทิสมารกายก็จะเผยรูปร่าขึ้นมาคล้ายๆกับว่าเมื่อถ่ายรูปไปแล้วล้างฟิล์มออกมาจะเห็นภาพอันนั้นเป็นหน้าที่ของอาธิสมานกายจะแสดงเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีความตั้งใจในการทำสมาธิความตั้งใจอ น, นั้นมันก็จะไปสู่อาทิสมารกาย ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยเกิดมีความศรัทธาเพิ่มเติมขึ้นนะัมพันธักันเนี่ย <c oughs> แต่เพราะว่าเรื่องของทอุตตมะกายนี้ยังยาวมากเอาไว้จะอธิบายขนาต่อขออธิบายต่านี้ก่อนขอบคุณพระอาจารย์ครับต่อไปจะขอเชิญคุณมนะหฤทธายิงทัคุล กรับมมาต ก, การพระอาจารย์นะคะจิ์มีเรื่องอยากจะรบกวนถามว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีทําให้เราได้รับความสุขจริงหรือไม่คะให้พระอาจารย์ตอบแท่จริงหรือไม่เฉยๆนะคะเพราะว่าจิ์มีเรื่องจะถามต่อคะ่ะจริงจริงใช่ไหมคะแต่ทําไมจิ์ยังหาความสุขในการนั่งสมาธิไม่ได้ล่ะคะ พราะว่าการนั่งสมาธิสิรู้สึกว่าปวดหลังมากปวดขาแล้วอะไรคือความสุขคะอ่ออันนี้ต้องกวาดผคือการทําสมาธินั่นอน่ะการสุขนี้เหมือนกันจา ก, กเรารับประทานอาหาร่ะถึงยังไงก็ต้องอินแต่ว่าเมื่อมันยังไม่ทันอินเราก็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆอินคือความสุข เดี๋ยวนี้มันยังไม่ทันอิน่มงันก็ยังไม่เกิดความสุขแต่ว่าการทำเนี่ยเราจะต้องทำไปให้ได้ระยะหนึ่งก็จะเกิดความสุขพอเกิดความสุขแล้วเนี่ยเราก็จะร้งอ๋อความสุขเป็นยัางเราเกลือจบับกล่าวขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะต่อไปก็นัทธพัก ทรงเกียดเคยเจ็บแล้วถ้าเรามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพลังจิตนี้จะทราบได้อย่างไรครับอพลังจิตนั้นเหมือนกันกันกนกบการคอนโซลรวมนังสือเราเนี่ย เ, เรียนหนังสือทุกวันทวนก็เหมือนเพื่อนก็นมันไม่ได้อะไรแต่แค่ผ่านไปปีหนึ่งแล้วอะไรนี่มันเกิดอ่านออกอันนั้นคือการสะสม แต่ว่าการที่จะสะสมได้นั้นผู้ที่ไปโรงเรียนนั้นต้องไปพบครูถ้าหาก็่ไม่ไปพบครูเนี่ยไปกี่เดือนกี่ปีก็อ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เรานั่งสมาธินี่จึงต้องมีคำถามว่าใครคือผู้รู้อันนี้คือเริ่มต้นพอเรายิฐานสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ให้คำถามตัวเราเองว่าใครคือผู้รู้เมื่อเราถามอย่างนั้นแล้วเราก็ทิ้งใจอันเนี้เราต้องการให้คําถามคือใครคือผู้รู้เนี่ยฝังอยู่ในใจให้มากที่สุดให้กาจเป็นนิสัยพลังจิตนั้นนับแต่วินาทีของการบริกรรมพุทโธพลังจิตได้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าการเกิดขึ้นนั้น ก็อย่างเล็กน้อยก็ต้องทําเลือกไปเราจะไปรู้สึกว่าพลังจิตของเรานั้นเราได้แล้วก็ต่เมื่อเราทําสมาธิกเกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นและอีกประการหนึ่งเวลาที่เราทําการทํางานเนี่ยก็รู้สึกมันจะพี่กระเป๋าทํำได้มากขึ้นอันนี้เป็นความรู้สึกเล็ก เ, เ, เน็น้อยน้อยก็ต่อปรบได้ตอนนี้ กาขอบคุณพระเจ้าครับต่อไปขอเชิญคุณดวงคำอินทวรรณกราบวันกาชการหลวงพ่อค่ะลูกศิษย์มีปัญหาในกาถามนาี้า น, านะคะเมื่อวันที่สิบเก้าค่ะลูกศิษย์ไปนั่งสมาธิในห้องนะคะแอ้วดิลูกศิษย์ไม่รู้สึ ก, กตัวเลยแต่เวลาเสร็จพิธีลูกศิษย์ลืม้าขึ้นมานะคะลูกศิษย์ร้องไห้ค่ะแล้วก็น้ำมูกก็ไหลออกมาเต็มเลยค่ะ อยากให้หลวงพ่อชี้ตอบไหมคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่งสมาธิล้วเหมือนกันแต่ว่าตัวของเราหายไปใช่ไหมเยอะเงี่ยฟังไม่ถนัดเราให้เราให้ทีหลังไอ้ก่อนนั้นน่ะถ้านั่งสมาธิแล้วอย่างเงี้ยขึ้นต้นเป็นยังไงอ้าดูใหม่ดูใหม่แล้วลู้สิกยลืมตา ม, มานะคะแล้วก็ร้องไห้ค่ะน้วฝาแล้วก็ สมุยไหลามาลุกจิตรีบเอากระดาษแค่ใหญ่เลยค่ะแล้วตอนแรกตอนก่อนที่จะมาเธิอ๋อก่อนหนั่งค่ะลุกจิตนั่งก็สงบดีค่ะแ ล, แล้วก็ก็รู้สึกว่าลอยไปแล้วก็เห็นภาพพ่อค่ะแล้วก็ลูกจิตก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วก็พอมงพาก็เลยน้ำตาไหลอ๋ออันขึ้นตอนมันจะเห็นพ่อก่อนอคือว่าอ่าเมื่อเวลาที่จิต เข้าสมาธิแล้วเนี่ยที่ว่าไม่รู้สึกตัวนั่นน่ะนั่นคือจิตได้เข้าสมาธิไปแล้วการไม่รู้สึกตัวนั้นมันก็ได้ไปสัมผัสกับอาทิสมานกายแล้วอาทิสมันกายเนี่ยคือกายคิดชนิดหนึ่งหรือว่าถ้าหาว่าปรากฏ ว, ว่าเห็นพ่อพ่อของเราเองเนะก็เท่ากันกับว่าวิญญาณมาคขอส่วนกุศลอะไรกระับตนนั้น พอเลิกจากนั้นแล้วปิติก็เกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นเองเมื่อเกิดขึ้นเองแล้วมันก็ปรากฏเป็นน้ำตาหลักตาถนองนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรเกี่เรื่องของปิติชนิดหนึ่งทีนี้ถ้าต่อไปนั้นการเกิดเพลนนี้ก็คงจะไม่เกิดอีกมากนะักนานๆกว่นานนจะเกิดแตกครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็ถือว่า ได้เลย้ต่อไปนี้ขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญคุณดวงดวงคุณนะเพิ่มสิริการนัมักรการพระอาจารย์จิตมีข้อให้อาจารย์อธิบายคำว่าสุวาขวิหารธรสุขขวิหารธรรมนั้นหมายถึงจิตที่เข้าไปอยู่ในฌานแล้วเกิดความสบาย จะอยู่ได้เป็นชุมงค์หรืออยู่ได้นานนั้นเรียกวุยสุขวิหารธรรมไม่มีความทุกก็เรียกว่าจิตที่อยู่ในฌานถือว่าสุขวิหารธรรมอ่าตอบก็มีข้อคาตอบเพียงตอนนี้อ่ากราบขอบคุณท่าอาจารย์อ่ตอต่อไปก็ขอเพลินคุนถาวรบัญชานเทวคุณกาบมนุษกาลนุ่งพ่อ ที่เขาลบผมอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าเวลาผมทำสมาธิอยู่ที่บ้านก็ดีหรืออยู่ที่ไหนก็ดีครับเวลาทำไปแล้วผ่านไปสักสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็จะเกิดอาการไอทำอยังไงจึงจะให้ไม่ให้ไอได้นะครับไออะไรนี่ยหลเงพ่อก็ไอ S <S ต้องเอายากาเสียอมเท้าไอเนี่ยมันเกิดหลายอย่างบางทีก็เกี่ยวกับวัดบางทีก็เกี่ยวกับโรคบางชนิดในเรื่องของการไอนี่ก็จําเป็นต้องมียาอะไรสักอย่างปมไวแต่หลวงพ่ออมยา ก, กาสิง <c oughs> กาหิงเลย เกลียดไม่มีฮึไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรหรอกถึงเกินน้ำลายก็ก็ไม่เป็นไรใจมันตั้งอยู่สมาธิไม่เสียอย่าอมยังดีกว่าอต่อไปขอเชิญคุณถาวัสุตถิอิสริยะกุล กราบนมัสการท่านพระอาจารย์นะครับขอกราบเรียนถามว่าในขณะที่เรานั่งสมาพี่อยู่แล้วเราเปิดเทพธรรมะบรรยายธรรมะและ้วคิดตามไปด้วยจัดว่าเป็นการนั่งสมาพี่ไหมครับนั่งเปิดจัดก็กปเป็นนั่งสมาธิเพราะว่าเสียงของธรรมะมันก็ทําให้จิตเป็นสมาธิได้แล้วภาวะจิต จะต่างจากการนั่งสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาอย่างไรครับในทางอันนั้นก็ถ้าหากว่ามีเสียงอย่างนั้นแล้วเราอาจไม่ต้องบริกรรมก็ได้เราเอาใจของเราตั้งไว้ที่ตรงที่เราบริกรรมนั่นแหละแต่ไม่ต้องใช้คาบริกรรมเพราะว่าเสียงธรรมะม น, น, มนั้นจะกลมเกต็นี่ให้สงบเป็นสมาธิได้อรับขอพบพระคุณครับทีนี้กงมาถึงคนจะเติมกลด อ่ะชนกรการอาาผมอยากจัดขอเรียนถามว่าก่อนที่จะเดินตกเมื่อโดยกโชกไปแล้วเดินไปเส้นระยะหนึ่งจะรู้สึกเกิดอาการยุติสะและก็มีอาการวงนอนอยาจะเขายกถามอาารว่าจะแจ้ไขายังไงอ้าเป็นอย่างนั้นก็เดินให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งเดินให้เร็วขึ้นหรือลราอาจจะ ยืนแล้วก็ลืมตามองๆไปไกลๆทั้งนี้เพื่อให้ไอ้เกิดความเป็นะอ้ที่เวียนที่สะคิดว่าอาจจะเป็นอากาศหรือเป็นอะไรมันไม่พอแต่ยังไงซะพอเวลาเดินไปให้มันเร็วขึ้นหน่อยทุกอย่างน่าจะหายขอบคุณมากครับต่อไปถ้าเชิญคุณรงทำรงอภิชาต อหมดแถวครับนักการพระอาจารย์ครับผมมีปัญหาข้อหนึ่งนะฮะแต่มีสองคำถามจะเรียนถามลวงพอน่ครับคือการปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลนั้นควรจะมีเบญจสินกำกับหรือไม่แล้วก็ผู้ที่ล่วงละเมิเบญจสินอยู่เป็นนิสแต่ก็ปฏิบัติสมาธิอยู่ไปเรื่อยนะฮะจะเป็นนิชาสมาธิหรือไม่ครับเอที่มาปฏิบัติสมาธินั้น หากมีเนญจสินก็ถือว่าเป็นเครื่องประกอบแต่ถ้าหากว่าเราผิดพลาดไปในเนญจสินแต่เราก็มานั่งสมาธิก็ไม่เป็นไรบางคนอาจจะผิดเบ้จสินไปกินเหล้าหรือวอะไรต่างๆแต่พอกลับใจได้มานั่งสมาธิก็ได้ผลเช่นอะไรละ่ะ เลยนาสันตติสันต ต, น ต, ติอมาตยินเล่าเมามาถึงพระพุทธเจา้าเทศน์สันตติได้สาเร็จไปเลยอันนี้ก็คงจะไม่ได้จํากัดเพราะว่าการทําสมาธินี้เอเมื่อทําสมาธิแล้วเนี่ยมันจะเป็นจิตก็เรียกว่าบังเกิดพลังขึ้นมาแล้วเป็นพลังของสมาธิส่วนการทําบาตรหรือว่าการทำอะไรนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่ง เราจ ะ, ะนั่งเมื่อบุคคลทุกที่มาทำสมาธิจนกระทั่งเกิดความสงบแล้วเนี่ยต่อไปเขาจะไปละบาปเอาที่หลังได้พระจิตมันเกิดความละอายขึ้น <c oughs> าสาธุคุณพุทคคับ